เออขออุบัติบัติสุดท้ายรับฟังคำแนะนำในการเจริญกรรมฐานสำหรับวันนี้เป็นปิกากะสินคือกระสินขีเหลืองแต่ขอพูดเริ่มตวนได้ก่อนการเจริญกรรมฐานทั้งหมดทั้งสี่สิบกองวิธีปฏิบัติขึ้นต้นเหมือนกันหมดนั่นก็คือว่าอันดับแรก ขอทุกคนให้มีพรหมีหารสี่แต่ ว, ว่าคําว่าพรหมิหานสี่นี่จะต้องมีกันทั้งวันนะไม่ใช่เฉพาะจริงกรรมาฐานแต่ ว, ว่าพรหมิหานสีถ้าบกพร่องศิงบกพร่องถ้าพรหมิหารสีส่แบบเต็ ม, เ ต, มเต็มอารมณ์สิงก็เต็มอารมณ์แต่ ว, ว่าถ้ามีพรหมิหารสี่อย่างเดียวสิงก็ครบับ สมาธิก็ส่งตัวปัญญาก็เกิดรวมความว่าพรอมีฐานสี่เป็นพื้นฐานใหญ่ในการปฏิบัติของคนเพื่อพ้นทุกข์คำว่าพ้นทุกข์หมายถึงพ้นทุกข์ชั่คราวด้วยจะเกิดในสวรรค์พ้นทุกข์นานหน่อยจะเกิดในธรรมโลกแต่พ้นทุกข์ตลอดการ ก, ก็คือเกิด น, นิพพานก็มีฐานสี่มีอะไรบ้างก็คือหนึ่งเมตตาความรัก เราต้องคิดไว้ประจามอารมณ์ว่าวันทั้งวันจากหลังจะตื่นนอนใหม่ใหม่คิดว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่เป็นศัตรูกับไม่เป็นศัตรูกับใครอารมณ์เราจะไม่เป็นศัตรูกับใครจะเป็นมิตรที่ดีของคนในสัตว์ทั้งโลกอารมณ์ที่สองเราจะสงสารหวังเกื้อกูลสัตว์แะบุคคลที่มีความทุกข์จะมีความสุข อารมณ์ที่สามก็เปหารสี่คือมุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดเสียไขรให้ใครเย็ดได้ดีพ อ, อยินดีด้วยอารมณ์ที่สี่วางเฉยถ้าสิ่งใดเกินวิสัยที่เราจะเพึงทำได้สิ่งนั้นเราเฉยไว้ก่อนรอเวลาถ้าโอกาสเวลาใดทำได้ทำเวลานั้น ถ้าอารมณ์ทั้งสี่ไปาการคือหนึ่งเมตตาความรัก 2. สงุนายความสงสารสามมุตตายมีจิตอ่อนโยนไม่ฉาธิ่สีย่ใครใครจะยีพอยียด้วยสี่เบีขาวางเฉยถ้าทั้งสี่ไปาการนี้ครบถ้วนก็คือว่าท่านเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิจังมันมีปัญญากล้าพอที่ตักเลิดได้ หลังจากนั้นไปก็ตั้งใจชำระศินว่าเวลานี้สินเราครบถ้วนไหมถ้ารักษาสินห้าดูสินห้ามีอะไรบ้างถ้ารักษากระหมดสิบกระมดสิบมีอะไรบ้างถ้ารักษาสินแปดสินแปดมีอะไรบ้างเราครบถ้วนไหมถ้าครบถ้วนดีแล้วหลังจากนั้นก็หาทางระฆังระังนิวรนสิงก็ดีกระหมดสิบก็ดีนี่ต้องอยู่ตลอดวันไม่ใช่ช่วคราว สำหรับนิวรนี่เป็นการโชคคราวได้เพราะเป็นกิเลสกิเลสยากตัดยากทำลายยากคำว่านิวรนพระพุทธเจ้าทรงแปลว่ากิเลสยากที่ทำปัญญาให้ถอยหลังนั่นก็หมายความว่าถ้านิวรนครอบงำจิตเราเป็นคนไร้ปัญญาถ้าเราถ้าเราเป็นคนไร้ปัญญาที่อย่างเดียวความดีทั้งหมดก็มีขึ้นมาไม่ได้ คนไรปัญญาก็คือคนเลวก็ทำความชั่วคิดว่าเป็นความดีผลที่เราจะได้รับก็คืออบายภูมิหลังจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงแนะนาว่าตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหลดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกถ้าเราจะภาวนาร่วมด้วยกับภาวนาตามปฏิยาัย อันนี้เป็นการขึ้นต้นของเจริญกรรมฐานทั้ง40กองกองใดกองหนึ่งก็มีผลเหมือนกันก็จะว่าขึ้นต้นเหมือนกันแต่กรรมาฐานทั้ง40กองนี้ทุกกองสามารถเป็นพระอรหันต์ได้หมดท่านทํากองใดกองหนึ่งทํำไปถึงที่สุดของกอง น, นั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าวันนี้ตอนต้นามาศึกษากันเรื่องของกสิณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีเกสินมีนามว่าปิตากเกสินปิตากแปละว่าสีเหลืองถ้าพูดเป็นภาษาไท ย, ยก็คือเกิีสีเหลืองความจริงเกสินนี่ทั้งหมดมีสิบแต่เป็นเกสินเฉพาะเจริญเจ็ดสี่กองอีกหกกองท่านที่จะมีจริตญยังไงก็ตามปฏิบัติได้เสือเป็นลำฐานกลาง ตามวิธีการปฏิบัติในกรรมฐานก็มีว่าถ้าราคะจริตปฏิบัติอะไรบ้างอย่างไหนบ้างกรรมฐานกี่กองให้เลือกเอาโทสะจริตปฏิบัติอย่างไงโมหะจริตวิตกจริตปฏิบัติอย่างไงศรัทธาจริตปฏิบัติกองไหนบ้างพุทธาจริตปฏิบัติกองไหนบ้างตามลีลาการปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าปฏิบัติกรรมฐานผิดกองผิดจริตมันจะไม่มีโอกาสได้มรุ막ผล แต่ว่ากระสินท่าหกกองเว้นกระสินสี่กองกระสินสี่กองคือกสินสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงสี่กองนี้เป็นกระสินเฉพาะโทสัจจริตถ้าบุคคลใดมีจริตเกี่ยวกับโทสัจเจตมากให้ทํากระสินสี่กองนี้กองใดกองหนึ่งเข้าถึงฌานสี่แล้วก็คุมอารมณ์ฌานสี่กรสินไว้โทสัจจะเพื่อยกลายตัว ก็เป็นว่ารู้แล้วว่ากสิณปตกากสิณเป็นกองหนึ่งในการกรรมฐานทำลายโทสะตอนนี้ว่าถึงอนุภาพของกสิณปิจิกากสิณก็สิ่ ส, ส, สีเหลืองถ้าทำได้แล้วก็จะเป็นเหตุให้บรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีเหลืองได้ของที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเห็นี่มันจะเป็นสีอะไรก็ช่างแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นสีเหลืองเราจะนึกถึงสีเหลืองและจับอารมณ์กสิณเป็นฌาน อย่างนั้นก็อย่ากลายไปสีเหลืองจะเหลืองขนาดไหนก็ได้เหลืองน้อยก็ได้เหลืองมากก็ได้เหลืองเป็นสีทองคาทำไมชาติแบบทองร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ก็ไม่มีอะไรมากสมมติทาฐานกองนี้เป็นสีอย่างเดียวตอนนี้วิธีปฏิบัติสีเหลืองนี่แล้วก็นําสีเหลืองมาวางข้างหน้าตามโบทีจะบอกเอาผ้าสีเหลือง มาทําไปสะดึงถึงไว้เป็นกลมกลมแล้วก็วางข้างหน้าเลืมตาดูผ้าจําภาพสีเหลืองให้ได้จําเฉพาะสีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพภาวนาว่าปีติกะ ก, ะกะสินังภาวนาว่าปีติกะกะสินังปีติกะแปลว่าสีเหลืองก็แปลว่ากสินสีเหลืองกสินสีเหลือง ถาหากว่าบังเอิญภาพเลือนไปจากใจ <c oughs> ภาพเลือนไปจากใจก็เลือมตาดูใหม่เลือมตาดูช้าๆจดจะตั้งใจจำให้ดีขณะที่เลือมตาดูก็รู้ลมไม่ใจเข้าออกไปด้วยภาวนาไปด้วยาการเลือมตาดูก็เป็นสมาธิขณะใดที่ตายังเห็นภาพอยู่จิตใจยังจับในภาพสีเหลืองเวลานั้นจิตขเราก็เป็นสมาธิ ไอ้จงอย่าลืมว่ากําหนดลูกลมให้ใจเขาออกไปด้วยลมให้ใจเขาออกต้องรู้ตาม <c oughs> ตอนนี้มาจําภาพได้แลว้วก็หลับตาในกว่าปีตการกราศิ น, นังก็มาขอพูดรวบยอดว่าปีตการกราินนี่ถ้าเราจะเป็นคนฉลาดสักหน่อยหนึ่งทําให้ได้กําไรจริงๆมีผลทั้งกาศินด้วย <c oughs> ถ้านาปานสติ ด, ด้วยน้พุทธา น, าานุสติ ด, ด้วย <c oughs> เราก็ไม่ต้องไปหาผ้าสีเหลืองมาจากไหนก็ไม่ต้องเอาสีเหลืองมาทาพื้นชาขาดแล้วก็เอาพระพุทธ ร, รูปสีเหลืองมาวางข้างหน้าตามธรรมดาที่เราจะเดินกันมาฐานมากักจะนั่งหน้าพระพุทธรูปอยู่แล้วก็ใช้ดูพระพุทธ ร, รูปแทนภาพของขก็สิยนอื่นขณะใดที่เรามีความรู้สึกว่านี่เป็นพระพุทธ ร, รูปขณะ น, นั่น ท่านท่านถือว่าเป็นพุทธานัตติกมามฐานและขณะใดถ้าจิตเราจําว่าพระรูปมนสีเหลืองเวลานั้นเป็นปจติากะเกษินถ้าเราเห็นมีความรู้สึกว่านี่คือพระรูปแล้วก็มีสีเหลืองชีทองเป็นทั้งพุทธานัตติด้วยเป็นทั้งปิติปิติกะเกษินด้วย <c oughs> แต่พร้อมพร้อมกันนั้นก็จะเรียกว่าจงรู้ลมให้ใจเขาออกไปตาม ตอนนี้ก็มาว่ากันถึงพระพุทธรูปอันนี้มีมีอริสงมากอันดับแรกบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่งหน้าพระพุทธรูปองค์เล็กก็ได้องค์ใหญ่ก็ได้ตามใจชอบอันดับแรกลืมตาดูภาพพระจําให้ดีว่ารูปร่างลักษณะท่านเป็นยังไงแล้วก็จําว่าพระพุทธรูปอง์นี้มีสีเหลืองจําได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพพระพุทธรูป ภาวนาว่าพิตาิกะกสินังพิตาิกะกสินังก็ได้หรือว่าจะภาวนาว่าพุทโธก็ได้ตามใจชอบอันนี้ได้สองอย่างถ้าบังเอิญภาพพระพุตรูปอคนั้นหายไปเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่การลืมตาหลับตาอย่างนี้ก็ขอพูดรับไปเลยพราะเวลามันสั่นการทรงชายก็เหมือนกับวสิณทุกอย่างต่อไปก็จะ ก, กลายเป็นสีขาว สีขาวขาวเป็นโบติขาวพโพลนก็เป็นอุปจารสมาธิต่อไปจากสีขาวก็เป็นสีแก้วก็เป็นฌานอันนี้ก็ขอพูดลัดไปเพราะว่ามันเหมือนกันทุกศิลแต่ว่าสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่านั้น <c oughs> นั่นก็คือภาพพระพุทธรูปเป็นท่านกัลสินด้วยเป็นพุทธรูปด้วยจะมีผลเวลาที่เราตาย ถ้าเราจำพระพุทธรูปได้ดีจิตใจทรงเป็นฌานคำว่าจิตทรงเป็นฌานนี่มันเป็นอย่างนี้นะทรงฌานเราจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ดีจะเดินไปก็ดีจะทำงานก็ดีใจมันจะนึกถึงภาพพระพุทธรูปนี่เป็นปกติใจจะนึกเห็ น, หนตลอดเวลาเว้นไปแต่เพียงว่าจะมีงานที่มีความวุ่นวายมากอาจจะเผลอไปนิดหนึ่ง ถ้าความวุ่นวายอ่อนตัวลงจิตก็จะนึกถึงต้องเห็นภาพพระพุทธเป็นปกติอย่างนี้ถือว่าทรงฌานในพุทธานุสติแล้วก็ได้เห็นพระพุทธรูปเป็นสีเหลืองจะเป็นการทรงฌานในปีตะ ก, กั่งศีลด้วยเป็นปกติถ้าการเป็นอย่างนี้ถ้าก่อนที่เราจะตายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าก่อนจะตายถ้าจิตใจเรายึดอะไรมันจะไปเป็นอย่างนั้นจิตใจจิตใจเรายึดสุนัข อย่างโกโ ซ, โซกที่บาบุตรพอตายแล้วก็เข้าท้องสุนนักไปจิตใจเราไปยึดผ้านึกถึงผ้าพืานา้นใดพื้นหนึง่งพอตายแล้ว ก, กลายเป็นเลนที่ผ้านั้นถ้าจิตใจเรายึดพระพุทธรูปพระพุทธรูปมีกำลังมากถ้ากำลังจิตเราอ่อนมากเราก็เป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์ได้ ถ้าจิตใจมีกำลังอย่างกลางแล้วก็ไปพุทโลกได้ถ้าจิตใจเรามีกำลังสูงสุดคิดว่าเวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นตายเวลานั้นปานิพานทันทีอันนี้กำลังสูงมากจะเล่าเรื่องให้ฟังฟังนิดมีเวลาอยู่หน่อยหนึ่งเมื่อตอนฉันเป็นเด็กเวลานั้นประมาณอายุสิบสองปีเป็นอหิวาแตรโรค แต่ก่อนหน้านั้นนักตัดจำความได้แม่ก็แนะนําให้ภาวนาว่าพุโทโธคือเป็นเด็กก็ไม่สนใจท่านว่าพุโทโธก็พุโทโธส่งเด็กไปคือว่าท่านไม่ว่าก่อนจะหลับต้องว่าพูดให้แม่ฟังก่อพุโทธโทธพุทโธพุทโธสามคำถ้าไม่ว่าอย่างนี้ก่อนหลับท่านปลุกกลับแล้วท่านปลุกได้ไหมว่าใหมเออตาไปตาไปตามทําไปตามภาษาเด็ก ต่อมาโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งตัวผีเป็นโรคตัวผีมากเข้าห้องคนเดียวก็ไม่ได้จังวัดตัวผีเวลาเข้าห้องหันหน้าเข้าได้เวลาหาออกก็หันหน้าที่ต้องถอยหลังออกเพราะตัวผียะเกาะหลังไปพบหลวพ่อป่าในเข้าวจะบอกเองตัวผีไม่เป็นไรภาวนาว่าพุโทโธผีตัวพุโทโธหลังจากนั้นก็พุโทโธติดกันมา ต่อมามาถึงเวลาป่วยถ้าท้อนถ่ายสามครั้งก็ลุกไม่ขึ้นหมดแรงลอยขยับตัวเกือบจะไม่ไหวท้องมันก็ปวดแล้วก็ร้อนทั้งตัวทั้งกายท่านแม่ก็พระพุทธรูปประวางไว้พระทตที่บูชาไปจําวันที่บูชาองค์นั้นประวางข้างๆพอเห็นง่ายๆมันจะวางเหนือดิษฐ์ท่านเหนือดิษฐ์มองไม่เห็นวางข้างๆไม่ไกลนัก แม่ก็เลยบอกว่าจับภาพพระนี้ไว้จําภาพพระแล้วภาวนาบ่คุ้มหูประี๋ยจะหายปวด ท, ท้องก็ทําตามนั้นภาวนาไปไประเดี๋ยวเดียวภาพพระตอนจริงหน้าจากิ๊บสองนิ้วก็ไม่โตนักพระเดี๋ยวภาพพระที่ติดในใจมันลอยใหญ่ขยายใหญ่มากแล้วกลายเป็นทองคําสวยใหญ่ขนาดคนและพระก็ยิ้ม ต่อไปต่อไปไประเดี๋ยวพระใสขึ้นใสขึ้นใสกลายเป็นแก้วแปล ว, ว, วลาปริยับมีชดดาคล้ายกับเทวดาจิตใจก็จับที่พระในเวลาขนาะนั้นเองก็แปล ก, ว, กวจิตออกจากรา่างไอ้คําว่าจิตออกจากรา่างและวิญญาณจากร่างเดี๋ยวเวลาออกสมันไม่รู้เันออกออกเมอะไรก็ไม่ทราบมารู้สึกตัวเมื่อขณะที่มายืนอยู่ข้างตัวเก่าด้วยร่างกายใหม่ที่มันใสเป็นแก้ว แต่เครื่องประดับมีพื้นที่ทองนและแพรวาวสีขาวเป็นยับพสีสีใสเป็นเพชรกันเป็นเพชรเต็มไปทั้งตัวเสื้อผ้าทั้งหมดเป็นเพชรหมดขยับไปขยับมาไม่ก็มีความเบาเวลานั้นมองดูร่างกายเดิมนั้นไม่ได้สนใจเลยรังเกียดร่างกายร่างกายเก่ารังเกียดหาเห็นว่าสมกปรกหลังจากนั้นไปหาคนนั้นคนนี้เขาก็ไม่พูดด้วย ต่อมาก็ไปเห็นคนประมาณทั้งสองร้อยคนเกิดตอนเดินผ่านหลังบ้านก็ไปถามหัวหน้าถามว่าไปไหนเขาก็ไม่ตอบก็บอกว่ายัง เ, เข้าบ้านแค่นีวแม่จะหาแม่จะแม่จะไม่ต้องการจะพบแม่ที่สุดก็ตามเข้าไปเป็นว่าคนสองร้อยคนเศษนั่นสี่คนคนนําไปเมืองนรกแต่ไปถึงเศษนรกเขาไม่เข้าก็าส่งกลับเมื่วลาหมดของเราตอนนี้นะ ก็รวมความว่าการภาวนาจับภาพเระสินปิดกาเงาินถ้าเราจับเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวเราก็ขาดคุนเราก็ควรจะจับภาพพระพุทธรูปเป็นสีเหลืองด้วยพระพุทธรูปปิดทองและก็เป็นเงาสินด้วยเป็นสีเหลืองได้ย่าลืม ว, ว่าต่อไปเจ้ า, าพระพานึกถึงภาพไปภาพใหญ่ขึ้นมาบ้างขยายองค์บ้างต่อไปภาพค่อยๆไปสีขาวอันนี้ถือว่าสมาธิเราสูงขึ้น เรื่องขาวถึงที่สุดหมดองค์ขาวจ้องจริงๆเลยอย่างนี้ถือว่าอุปจารสมาธิเสมขัน้นต่อไปสีขาวก็ก็กลายเป็นแก้วก็สีกลายแบบนี้องจะคิดว่ากรรมฐานเราเสื่อมไม่จะเสื่อมดีขึ้นถ้าเป็นแก้วใสจริงๆแล้วไม่รู้สึกลมหายใจก็ออกเวลานั้นเป็นฌานสีในกิจการกรรมสิงฆพุทธานาุสติอะไรสําหรับที่ไดนํารรมสิงก็เหมือนแค่นี้น ะ, ะนั่นนำไปฟังหัวใจ ต่อไปก็เป็นเวลาแนะนำเรื่องมโนมยิธิคำว่ามโนมยิธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจเป็นกสินเหมือนกันเป็นกสินด้วยเป็นพุท ธ, ธาทุสติด้วยอำ น, นาจพุท ธ, ธาดีไม่เกิเบาเวลาปฏิบัติจริงๆให้ใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกนึกว่าพาาระทะจะดืมนะ เวลาหายใจเข้านึกตามวันมะเวลาหายใจออกนึกตามมะพาะเวลาไปรู้ลมหายใจเขาออกไม่อย่าบังคับลมหายใจอย่าบังคับไปร่างกายให้ใจเบาหรือใจแรงปล่อยไปร่างกายใจหายใจแรงก็ช่างให้ใจเบาก็ช่างเรามีหน้าที่รับทราบเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าหาใจออกแสดงว่าจิตเรามีสมาธินาฬาพานุสติ รู้คำภาวนาด้วยก็ถือ ว, ว่ามีสมาธิในคำภาวนาและขณะที่รู้เราไม่ใจเข้าใจออกก็ดีรู้ภาวนาก็ดีเวลานั้นทุกคนยังอยากอยา ก, อยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากถึงเวลานั้นจิตจะวุรร่นวายจะไม่มีผลความเป็นทิศพระโภชนยิทธิจะได้ต้องต้องได้ทิพย์กุยางก่อน อันนี้คําว่าทิพญา น, นี้เขอทุกคนโปรดทราบว่าไม่ใช่ลุกตาเป็นทิพย์บางคนไปติดที่ลูกตาแล้วก็ลืมธรรมงว่าเราหลับตาแล้วเราไม่ได้ใช้ตาเอาใช้ใจคําว่ายา น, นี้แปลว่ารู้ไปรู้ทางใจคือใจทิพย์คำว่าทิพยานก็แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลา้ายตาทิพย์อันนี้ ความไปที่จะเกิดใช่ต่อเมื่อเราฟังคําแนะนําเข้าครูผู้แนะนําแต่ครูผู้แนะนําจริงๆเขาไม่แนะนำในในด้านตาทิศใจทิศเขาแนะ น, นําในได้การตากิเลสด้วยขณะที่เราตั้งใจฟังเสียงเขาพูดเรื่องธรรมะในการตากิเลสเวลานั้นจิตก็จะสะอาดจิตกิเลสไปเพียงน้อยแต่น้อยจิตจะห่างจากกีเลสศกิเลศมันก็ถอยไปถอยไปถอยไป ต้องท่านจิตสะอาดจากกิเลสพอสมควรความเป็นทิพย์โคจตก็เริ่มเกิดนีความเป็นทิพย์ เ, ร เ, เหรือว่าความเป็นทิพย์โคจจิตนั้นก็ได้เกิดความรู้สึกใค้ถือว่าความรู้สึกแรกทางของอารมณ์นั้นถูกต้องไม่ผิดแต่ว่าความเป็นทิพย์โคจิตจะได้ไม่เท่ากันต่างกําลังขคนใจกบางคนได้น้อยจิตสะอาดน้อยจะมีความรู้สึกทางใจแต่ว่าใจไม่เห็นภาพ บางคนสะอาดบางกลางมีความรู้สึกทางใจแต่ใจเห็นภาพไม่ชัดเจนนะักบางคนใจสะอาดที่สุดเมื่อมีจิตมีความเห็นมีความรู้สึกเห็นเมื่อมีความรู้สึกขึ้นทางใจและจิตพร้อมเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากอันนี้ซึ่งอยู่นักปฏิบัติเองนั้นถ้าเวลาที่ชู ก, ก็เห็นว่าอารมณ์เป็นทิพย์มีพอสมควรเขาเลยถามว่าเวลาไม้มีความรู้สึกมีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้าง ในเขาถามทั้งเทวดาดุจกรมดุจพระอริยะที่ธ่านมาถ้าความรู้สึกก็มีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั่งตอย่ากลผิดไม่ผิดแน่อารมณ์แรกแล้วก็ถามว่าท่านคนนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกเขาถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกอย่างนี้สแสดงว่าทิฏกุยานเริ่มเกิดหลังจากนั้นคัาจะแนะนําให้ไปพุจุลาโมนีเจดีสถาน เป็นที่ธรรมาจฏ ก, การพระเทวดาและกรมที่ตั้งอยู่ชั้นดาวดึงเวลานี้ถ้าเราไปถึงชั้นจุลามณีได้เวลานั้นถิวว่าเราเข้าขั้นอภิญญาในเกณฑ์ข้ออภิญญาถ้าเห็นเฉยเฉยรู้เฉยเฉยเป็นเกณฑ์ขวิตชาวสามพอไปถึงพระจุลามณีก็จะพบพระพุทธเจ้าพระอาริยสงฆ์เทวดาและภู ม, มิเทวดา เราจะมีความสดชื่นมากหลังจะนัง่งจะแนะนําไปนิภานสําหรับญาติโยมเก่าที่คอยการทักซ้อมให้นึกถึงอริยสัจว่าการเกิดเป็นคนมันเป็นทุกข์มีร่างกายอย่างนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหมดจะมีได้เพราะเรามีร่างกายความหิวก็เพราะมีร่างกายความกระหายก็ก็มีร่างกายเกิดขึ้น ความป่วยไข้มาสบายเกิดขึ้นก็มีร่างกายที่จะต้องจริงก็มีร่างกายความทัดท้าของรักของชอบใจก็มีร่างกายเราจะตายก็มีร่างกายให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการมีร่างกายเป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันเราต้องการานิพพานหลังจากนั้นจิตใจไปตั้งไว้ที่นิพพานคอยครูผพ้แนะนําอย่างนี้จะมีการข้องตัวมาก แล้ต่อที่ไปพระบันดาแทนพุทธใบสัตย์หลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจพุทสมาธานศีลสมาธานเปกรรมฐาน